ตัริเมจตารูปราชิกาธรรมาอุเทสังอาคาชาอันตโยปนาภิกกภิโคนางสิฆาสาวชีวสมาปันนสิขังอปปจักฆายตุผลยังอนนาวิกตวาเมธุนางธงรัมปิเสวายาอันตมโสติราชนะกตายะปิปาราชิกโกโหติอสังวาโส โอปนภิกขุขามาวาอารัญยาวาอาธินังทัยยะสังฆาตังอ า, ย า, ยาทิเยียยถารูเปอธินาานาธาเนราชาโนโจรังกเหตตวานหนัยยงวะพันทัยยงวะปปพาชัยยงวาโจโรสิพาโลสิมุลโหสิเทนโนสีติตถารูปังภิกขุอธินังอาทิยะมาโนุยยัมปิปาราชิโกโหติอสังวาสุ โอปนนภิกขสันจิตจะมนุสสวิกหังชีวิตาวโรปะเอียสตถะรกังวัสะปริยสัอียมรณะวันนังวัสังวันไนยมรณายาวาสมาธปะเอยยอัมโพปุริสักิงตุหิมินาปาปเกนาทุชีวิตเณนามาตันเตชีวิตาสยโยติอิติจิตตมโนจิตตสังกปอเนกปริยาเยนา มรนวันนางวาสังมานยมรณาเยวาสมาธไปเยียไยมปีปราชิโกหติอสังวาสโอเหยอปนาปิกุอนณพิชานังอุตตริมนุสธรรมังอตปนาญิกังอัลลาเมริยาาณัสสนังสมุทฮาจราียิติชานามิิติปะสัมิติ ตตโตอะเรนะสมเยนะสมนุขหหิยะมโนวาอสมนุขหะหิยะมโนวังอะปโนวิสุทธาเปโขเอวังวัฏไทยะอาชาณเมวังอวสุอวจังชานามิอปัสสังปัสาะมิตุจังมุสาวัลปินติอัญญัตระอธิมานาอยมิปปราชิโกโหติอสังวาสุโอติท้าโคไอยาสัมโตจตารุปาราชิกาธรรมาน เยสังพิโคัญญาตรังวะัญญาตรังวาอาปัจิตวานลภะติพิโคหิสัตถิงสังวะสัยธาปุเรตธาปัชฌาปราชิโกโหติอสังวะโซนตทาญสมันเตปุชฌามิการจิตาปริสุทธาตุติยมปีปุชฌามิการจิตาปริสุทธาตติยมปีปุชฌามิการจิตาปริสุทธา ปริสุทธทธายสมันโตตัสมะ ต, ตุนนหีเอวเมตังทาระยามิปาราชิกุเทโสนิตตอหน